ที่ทําให้สกักกายทิฐิไม่มีภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสกักกายติฐิมีไม่ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตว์บุรุษ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 หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาโืยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา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 อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในรูปธรรมเป็นที่กำจัดฉันธราคะ ทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่สุขโสมมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในเวทนาทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา สภาพที่สุคโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในสัญญาสภาพที่สัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในสัญญาทมเป็นที่กำจัดฉันทราคะทมเป็นที่ละฉันทราคะในสัญญานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญาสภาพที่สุคโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในสังขาร สภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในสังขารทำเป็นที่กําจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในสังขารนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารสภาพที่สุขโสมนัอสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา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 ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพนิมิตภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอก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 เห็นอยู่อย่างนี้จึงจะไม่มีอาหางการมามังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในสัพนิมิตในภายนอกลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตกระทำจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุรูปนั้นด้วยพระทัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า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 วิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตากระทาจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราจะย้อนถามเราได้แนะนำเธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้น น, นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือรูปที่เทียงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะ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 พระผู้มีพระภาคตรึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ภิกษุพึงพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น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 นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแมในรูปย่อมเบื่อนายแมในเวทนาย่อมเบื่อนายแมในสัญญาย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด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 และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาสิทนี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นดังนี้แหลมหาปุณณะสูตรที่เก้าจบ จูลปุณณะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15าคำ่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษพึ่งรู้จักอสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะ ดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษอันหนึ่งอสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษเพราะว่าอสัตบุรุษ เป็นผู้ประกอบด้วยอาสัตย์ธรรมมีความพักตีต่ออาสัตบุรุษมีความคิดอย่างอาสัตบุรุษมีความรู้อย่างอาสัตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอาสัตบุรุษมีการกระทำอย่างอาสัตบุรุษมีความเห็นอย่างอาสัตบุรุษให้ทานอย่างอาสัตบ <as> ุร <as> ุษ <as> อสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยอาสัตธรรมเป็นอย่างไรคืออาสัตว์บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีหิริความละอายต่อบาปไม่มีโอตปะความเกรงกลัวบาปมีสุตตะน้อยการได้ยินได้ฟังน้อยเกียดคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามอาสัตวบุรุษผู้ประกอบด้วยอาสัตยธรรมเป็นอย่างนี้ อสัต บ, บุรุษผู้พักดีต่ออาสัต บ, บุรุษเป็นอย่างไรคืออาสัต บ, บุรุษในโลกนี้มีสมณะพราหมณ์ผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตรปะมีสุตะน้อยเกียรตคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหายอาสัตวบุรุษผู้พักดีต่ออาสัต บ, บุรุษเป็นอย่างนี้ อาศับุรุษผู้มีความคิดอย่างอาศับุรุษเป็นอย่างไรคืออาศับุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอาศพบุรุษผู้มีความคิดอย่างอาศับุรุษเป็นอย่างนี้ อาศัพบุรุษผู้มีความรู้อย่างอาศัพบุรุษเป็นอย่างไรคืออาศัพบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้า ง, ย, ย, ย, างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้าง อ, อาศัปบุรุษผู้มีความรู้อย่างอาศัปบุรุษเป็นอย่างนี้ อาศะบูรุตผู้มีถ้อยคําอย่างอาศะบูรุตเป็นอย่างไรคืออาศะบูรุตในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้ออาศะบูรุตผู้มีถ้อยคําอย่างอาศะบูรุตเป็นอย่างนี้ อาศัปรุษผู้มีการกระทําอย่างอาศัุรุษเป็นอย่างไรคืออาศบุรุษในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอาศัุรุษผู้มีการกระทําอย่างอาศัุรุษเป็นอย่างนี้อาศันนุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอาศัุรุษเป็นอย่างไร คืออาศัปรรษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกอาศ์บุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอาศ์บุรุษเป็นอย่างนี้อาศ์บุรุษให้ทานอย่างอาศะบุรุษเป็นอย่างไร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 อสัตบรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตถธรรมอย่างนี้มีความพักดีต่ออสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างอสัตบรุษอย่างนี้มีถ้อยคําอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทําอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีความเห็นอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตบุรุษ คติของอสัตบุรุษคืออะไรคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเพึ่งรู้จากสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า รู้พระพุทธเจ้าค่าดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จากสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษพึงรู้จักอาศัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอาศัตบุรุษรู้พระพุทธเจ้าค่าดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จักอศัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอศัตบุรุษเพราะว่า สัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัตยธรรมมีความพักดีต่อสัตบุรุษมีความคิดอย่างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษมีถ้อยคาอย่างสัตบุรุษมีการกระทำอย่างสัตบุรุษมีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษ สัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรมเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีสุตตะมากปรารบความเพียนมีสติตั้งมั่นมีปัญญาสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรมเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณะพราหมณ์ผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีสุตะมากปรารบความเพียนมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายสัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างนี้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 สัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคําหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตวบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตว์บุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกรามสัตว์บุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตว์บุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่ สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วมีผลดังนี้แล้วจึงให้ทานสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัตยธรรมอย่างนี้มีความพักดีต่อสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทําอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษ คติของสัตว์รุษคืออะไรคือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรพัพสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูลปุณณะสูตรที่สิบจบเทวทหะวัคที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เทวทหสูตร 2. ปัญจตยสูตร 3. กินติสูตร 4. สามคามสูตร 5. สุนักขตสูตร 6. อเนชสปายสูตร 7. คณกะโมคลานสูตร 8. โคปกะโมคลานสูตร เก้ามหาปุณณะสูตรสิบจุลปุณณะสูตรสองอนุปวัวราหมวดว่าด้วยธรรมตามลำดับบทหนึ่งอนุปัสูตร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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเพิกถอนกิเลสภิกษุทั้งหลายเพียงกึ่งเดือนสารีบุตรก็เห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทได้ในการเห็นแจ้งธรรมตามลาดับบทของสารีบุตรนั้น มีเรื่องดังต่อไปนี้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ภิษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็ทาในปฐมฌานคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติความอิ่มใจสุขความสุขจิตเตกัคตาความที่จิตมีอารมณ์เดียวผัสสะความถูกต้องเวทนาความสวยอารมณ์สัญญาความหมายรู้เจตนาความจงใจ วิญญาณความรู้แจ้งฉันทะความพอใจอธิมโมกความน้อมใจเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้อุเบขาความวางเฉยมานสิการความใส่ใจเหล่านั้นสารีบุตรกําหนดตามลําดับบทได้แล้วธรรมที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าทมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วย่อมดับไปเธอจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันกิเลสอาศัยไม่ได้อันกิเลสพัวพันไม่ได้หลุดพ้นแล้วพรากได้แล้วในธทมเหล่านั้นมีจิตที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่า การสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทาธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพระวิตกวิจารสงบรังงับไปสารีบุตรบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอังเกิดจากสมาธิอยู่ ก็ทำในทุติยชาญคือความผ่องใสในภายในปิติสุขจิตเตกักตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอาทิมโมกวิริยะสติอุเบขามนสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทมที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป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 การสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการประธรรธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปสารีบุตรมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรัเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข ก็ทำในตติยฌานคือสุขสติสัมปชัญญะความรู้ตัวจิเตเตกัคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิมโมวิริยะสติอุเบกขามนาสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไป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 การสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทรทมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนสารีบุตรบรรลุจตุทัทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็ทาในจตุ ท, ทชฌานคืออุเบกขา อธทุคคมสุขเวทนาเพราะใจบริสุทธิ์แล้วจึงไม่มีความคิดคำหนึง่งสติบริสุทธิ์จิตเตกะคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิมโมกข์วิริยะสติอุเบคามณสิการเหล่านั้นสารีบุตรกำหนดตามลำดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้น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 สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทาธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดาปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุอากาสาญนนจายตนะโดยกำหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้อยู่ก็ทาในอากาศสานัญจาตนะคืออากาศสานัญจาตนะสัญญาจิตเตกะกะตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเหล่านั้นสารีบุรกำหนดตามลำดับบทได้แล้ว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 มีจิต ท, ที่ฝึกให้ปราศจากเขตแดนคือกิเลสได้แล้วอยู่สารีบุตรนั้นรู้ชัดว่าการสลัดทุกข์ที่สูงสูงขึ้นไปยังมีอยู่เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกข์มีได้เพราะการกระทำธรรมนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสาญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุวิญญาณจายตนะโดยกาหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ก็ทําในวิญญาณัญจายตนะคือวิญญาณัญจายตนะสัญญาจิตเตกกตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิมโมกวิริยะสติอุเบขามณสิการเหล่านั้นสารีบุตรกําหนดตามลําดับบทได้แล้วทำที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้น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 อากินจัญญายตนะสัญญาจิตเตกคตาผัสสะเวทนาสัญญ า, จ เ, า, เ, า, ญญาเจตนาวิญญาณชันทะอธิมโมกวิริยะสติอุเบขามณัิการเหล่านั้นสารีบุตรกําหนดตามลําดับบทได้แล้วธรรมที่สารีบุตรรู้แจ้งแล้วเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสารีบุตรนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า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 เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกมีได้เพราะการกระทำทำนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงสารีบุตรบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่เธอมีสติออกจากสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงลับดับแปรผันไปแล้วว่าได้ยินว่าธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น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 การสลัดทุกมีได้เพราะการกระทรทำนั้นให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงสารีบุตรปัญลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายของเธอจึงสิ้นไปสารีบุตรนั้นมีสติออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงลับดับแปรผันไปแล้วว่า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 เธอมีความเห็นว่าการสลัดทุกมีได้เพราะการกระทำทำนั้นให้มากขึ้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นผู้ถึงวสีความชำนานถึงบารมีความสำเร็จในอริยสีลเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยสมาธิเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริ ย, ป, รรยปัญญา เป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยวิมุตติภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองที่ผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยศีลเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยสมาธิเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยปัญญาเป็นผู้ถึงวสีถึงบารมีในอริยวิมุตติ บุคคลผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมภิกษุรูปใดว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่ธรรมอันธรรมเนรมิตรแล้วเป็นธรรมทายาทไม่ใช่เป็นอมิสทายาทภิกษุรูปนั้นคือสารีบุตรนั่นเองที่ผู้กล่าวชอบพึงกล่าวชมว่าเป็นบุตรเป็นโอรสของพระผู้มีพระภาค เกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่ธรรมอันธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาิไม่ใช่เป็นอมิสทายาิภิกษุทั้งหลายสาเรีบตทประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตประกาศไว้แล้วโดยลำดับโดยชอบทีเดียวพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี ดังชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนุปปัสูตรที่หนึ่งจบ